บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงเรื่องของโลกที่ทรงจะน่าจแสดงไว้โดยนนยะต่งางๆเพื่อทรงสั่งสอนบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะให้มองโลกในแง่ที่เข้าถึงความจริง เพื่อจะถ่ายถ่ายถอนผ่อนคลายความกนัดเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงลงไปบ้างเป็นอย่างน้อยเพราะในความเป็นโลกนั้นไม่ว่าจะโดยโวหารอะไรก็ตามก็คือสิ่งที่เป็นรูปนามนั่นเองตามปกติเฉพาะเขาก็จะมีสภาวะเป็นกลางกลางคือเป็นอันปยากระตะธรรมเพราะโลกจึงเป็นทุกข์สัตย์ จะจำแนกมากจำแนกน้อยก็พูดถึงเรื่องของกลุ่มทุกขสัตย์ที่จะต้องกำหนดรู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆเพราะในความเป็นโลกและคนที่อยู่ในโลกนั้นจะมองโลกโดยพื้นฐานของจิตใจที่แตกต่างกันอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุราชรด ที่พวกคนเข่าวข้องจอูแต่พวกผู้รู้ไม่ได้ข้่องจอูซึ่งหมายความว่าโลกอย่างเดียวกันนี้เองคนที่เกี่ยวข้องกับโลกโดยอำนาจของโมหะของอวิชชาจะตกอยู่ภายใต้อำนาจความรักและความชังจึงกลายเป็นเครื่องผูกพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเกาะอยู่ในโลก แต่ท่านผู้รู้ที่มองโลกด้ยวยวิชาคือความรู้เป็นผู้รู้โลกตามความเป็นจริงหรืออย่างน้อยก็รู้เท่าทันโลกท่านจะไม่คล้องไม่ติดอยู่ในโลกแต่จ ะ, จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในในโลกให้เป็นประโยชน์แก่ท่านและแก่บุคคลอื่นนั้นภาพชีวิตของบุคคลในโลกจึงทรงแยกออกเป็นสองฝ่ายนะครับ ไม่ได้แยกที่รูปร่างฐานะหรือพื้นฐานอย่างอื่นจะ แ, แยกที่ความไม่มีของกิเลสหรือความเจือจางบาบางของกิเลสกับความหนาความมากของกิเลสเป็นตัวกําหนดที่ได้แสดงโลกมาถึงจุดของอายตนะโลก โ, โลกหกก็คืออายตนะซึ่งหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจ ได้จะมองจากข้างนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นโรคโวดตะพระก็ได้ธมารมก็ได้ต่อไปทรงแสดงถึงโลกเจ็ดคำว่าโลกเจ็ดเฉพาะในที่นี้ทรงเล่นไปที่วิญญาณทิติเจ็ดคำว่าวิญญาณทิตินั้นคือที่ตั้งของวิญญาณหรือที่ถือปฏิสนธิของวิญญาณก็ได้แก่ภพภูมิที่สัตว์ทั้งหลายอุบัติ ไล้ในวิญญาณที่ฐิเจดนั่นเองได้ทรงแสดงสัตตาวาส 9. เอาไว้ด้วยซึ่งหมายความว่าเมื่อวิญญาณไปถือปฏิสนธิแล้วก็จะดำรงชีวิตอยู่ในที่นั้นที่นั้นจึงกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าสัตตาวาสอันได้จริงก็เป็นการเพิ่มขึ้นมาจากวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งของวิญญาณทั้งเจประการนั่นเอง เรื่องวิญญาณทิติจึงเป็นเรื่องของโลกนี้และโลกอื่นและข้อที่ควรสังเกตประการหนึ่งก็คือว่าเป็นวัธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นโดยอัธยาศัยของพระพุทธองค์เองไม่ได้มีใครมากราบทูลถามเรื่องนี้แต่ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องที่พุทธบริษัททั้งหลายควรจะรู้เอาไว้จึงรับสั่งเรียก ภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ส่งแสดงเรื่องวิญญาณทิฏฐิเจ็ดและสัตวาวาสเก้าเอาไว้เอ๋เป็นการแสดงเห็นว่าเรื่องล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การเรียนรู้การหาความเข้าใจตามหลักที่ทราบกันแพร่หลายว่าพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงนั้นถ้าเทียบเคียงกับส่วนที่ทรงรู้ ก็เป็นธรรมะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ทรงอุปมาเหมือนใบไม้ในพระหัดก็บใบไม้ในป่าปู่ลายคือสิ่งที่ทรงรู้นั้นเหมือนใบไม้ในป่าปู่ลายแต่สิ่งที่นำมาสอนนั้นเหมือนใบไม้ในกามือเดียวเรื่องวิญญาณที่ฐิเจ็และสัตวาวาสเก้าจึงเป็นเรื่องใบไม้กบมือเดียวที่ทรงนำมาสั่งสอนประเห็นว่า เป็นประโยชน์กูศลและอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้รู้ในฐานะต่างๆจะถึงสัมผัสผ ล, ผลสูงสุดโดยการปล่อยวางความยึดติดในโลกทั้งปวงนัานก็หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องในโลกทั้งปวงอีกต่อไปซึ่งก็เป็นเป้าหมายสูงสุดในทางเระพุทธศาสนาปัญญาณทิฏฐิเจดนั้น ท่านกำหนดด้วยรูปร่างและสัญญาของสัตว์ที่บัตรบังเกิดในสถานที่นั้นข้อที่หนึ่งสัตว์บางพวกมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกัน <c oughs> เช็นพวกมนุษย์และพวกเปรตบางหมู่ตลอดถึงสัตว์ดิรกชนันเราจะเห็นว่าพวกเหล่านี้มีกายต่างกันมีสัญญาคือความทรงจาหรือสิ่งที่ปรุงแต่งจิต เพราะสัญญานั้นเป็นจิตสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตจะมีความแตกต่างกันทุกขั้นตอนคือตัวที่สร้างเหตุปัจจัยมาวัดบังเกิดในกำเนิดต่างๆก็แตกต่างกันแตเมื่อเกิดแล้วก็แตกต่างกันในด้านต่างๆเพราะนั่นจึงบอกว่ามีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันสัตว์บางจำพวก มีกายต่างกันแต่ว่ามีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพบางหมู่สัตว์ปางจะพวกมีสัญญาอย่างเดียวกันแต่ก็มีกายต่างกันซึ่งหมายความว่ามีความแตกต่างกันเพียงส่วนเดียวือส่วนหนึ่งก็เหมือนกัน ทนบอกว่าได้แก่พวกพรมพที่เกิดขึ้นในภูมิของปฐมฌานคือในปฐมฌานนั้นท่านเรียกว ah ิหีนมัชฌิมปณิตะคือมียาบกลางละเอียดเกิดผลจากการปฏิบัติสมาธิของท่านเหล่านั้นเพราาท่านเกิดในภูมิของปฐมฌานระดับเดียวกันก็จะมีลักษณะดังกล่าว คืมีกายต่างกันจริงแต่ว่ามีสัญญาอย่างเดียวกันประการต่อไปนั้นจะมีกาย ก, ายก็อย่างเดียวกันมีสัญญาก็อย่างเดียวกันคือเหมือนกันท่านบอกว่าได้แก่พวกอาพาสรพรมพวกพรมประเภทเรืองแสงซึ่งเป็นพรมที่เกิดด้วยภูมิของฌานเช่นเดียวกันต่อจากนั้น ก็อีกสามจำพวกก็คือพวกที่เกิดด้วยภูมิของอรูปฌานเรียกว่าอากาสารญจาญตะนะเป็นต้นหรือท่านที่บรรลุอรูปฌานนั้นท่านจะตายไปในฌานหรือด้วยกําลังของฌานอาจจะบังเกิดในภพที่มีชื่ออย่างนั้นอรูปฌานเรียรูปภพมีชื่ออย่างเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนคําในตอนท้ายนิดหน่อยเท่านั้นเอง เรือากาสารัญจายตนะถ้าเป็นฌานก็เรียกว่าอากาสารัญจายตนะฌานถ้าเป็นภพก็เรียกว่าอาการสารัญจายตนะภ พ, าาาตะพแต่ในที่นี้มีลักษณะเป็นภพคือเป็นที่ตั้งของวิญญาณเป็นที่ถือปฏิสนธิของวิญญาณแต่เราพูดถึงเหตุปัจจัยที่ให้ไปเกิดบางเวลาเรียกท่านเรียกว่าสัตว์บางอย่างพวกคือเกิดด้วยภูมิของอากาสารัญจายตนะ คือหมายความว่าจิตก็พัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นเมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในจุดนั้นคำว่าภูมิจึงอาจจะหมายถึงชั้นจิตในขณะนั้นแล้วก็หมายถึงจิตที่เข้าถึงระดับนั้นแล้วจะไปอุบัติในภพ ซ, ซึ่งมีชื่ออย่างนั้นหรือมีชื่ออย่างอื่นก็ตามสาัตว์บางอย่างพวกก็เข้าถึงภูมิของวิญญาณจายตระหนัชาน เขาก็เกิดในวิญญาณัญจาริยตนาภพาสัตว์บางอย่างพวกก็เข้าถึงอากินจัญญาจตนาชาญก็บังเกิดในอากาศอากินจัญญาจตนาภพในที่นี้ก็ทรงสแสดงไว้เพียงเจ็ดข้อซึงก็ควรจะมองไปที่สัตวาวาสกาวก็ที่อยู่ของสัตว์ด้วยเพราะเป็นโลกกาโดยเพิ่มอสัญญาสัตตาที่เราเรียวกว่าพรหมทุกฟักเข้ามาด้วย พรมลูกฟักก็คือพรมที่เรากรวดน้ําอุทิศวนกุศลไปให้ว่ามีขันหนึ่งมีขันห้ามีขันสี่มีขันหนึ่ ง, นนงอย่าที่กรวดน้ํากันพรมลูกฟักนั้นมีกายก็อย่างเดียวกันแต่ก็ไม่มีสัญญาเพราะว่าพวกนี้เป็นรูปประคันและพวกหนึ่งก็คืออรูปฌานขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าเนวะสัญญานะสัญญาจตระนักฌาน บังเกิดอยู่ในในวสญญนะัสัญญาณสัญญาเจตนาภพในเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่จะมีภาษาบาลีปนอยู่มากพชื่อท่านเรียกอย่างนั้นแต่ประการสําคัญที่จะต้องศึกษาก็คือว่ามองในงแง่ของความเป็นโลกลักษณะของโลกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยปรุงแต่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวก็มันเอง และในช่วงที่ผ่านการเวลาไปแต่ในสุดก็จะต้องแตกดับไปนั่นก็คือความเป็นโลกแต่จะตั้งปัญหาถามว่าทรงแสดงเรื่องนี้ไว้เพื่ออะไรในช่วงแรกก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงสังสารวัตที่มีการหมุนวนของสรรพชีวิตทั้งหลายที่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ สูงบ้างต่ำบ้างกลางบ้างประนีตบ้างหยาบบ้างที่ทรงเรียกเป็นสัตววาดบ้างเป็นวิญญาณบ้างเป็นภพเป็นภูมิบ้างในช่วงที่สองนั้นต้องการจะให้ผู้ศึกษามีความหน่ายในภพหน่ายในที่ตั้งของวิญญาณกรนีไปสังเกตว่าการบำเพ็ญบุญกุศลของบุคคลระดับทานศีลนั้น ส่วนมากแล้วปรารถนาที่จะสุขหรือปรารถนาความสุขในสวรรค์หรือความสุขที่เป็นพรหมโลกพวกที่บำเพ็ญเพียรดั่นจิตใจระดับสมถะกรรมฐานก็ปรารถนาการบังเกิดในพรหมโลกพวกเจริญจนถึงอรูปประชานสก็ปรารถนาการบังเกิดในอรูปประพรมซึ่งแน่นอนพบเหล่านี้หรือภูมิเหล่านี้ เมื่อเทียบเคียงกับภพภูมิที่ต่ากว่ามันก็ดีกว่าแต่ถ้าไปเทียบเคียงกับมรรคผลนิพพานผนนี้ก็ต่ำกว่าดังนั้นเมื่อท่านอาลาดาบทกลามาโคตุทกดาบทรามาบทที่ได้ตายไปก่อนการตัดสินพระไทรย์สอนธรรมของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเจ็ดวันองค์หนึ่งสิบห้าวันพระเจ้าจึงได้รับสั่งว่า อาจารย์ทั้งสองของเราประสบความเสื่อมขนาดหนักด้วยความเสื่อมอย่างแรงตอนนี้เป็นเพราะอะไรพระทรงนำไปเทียบกับสัพพัญญุตยานและอารหัตตะคุณเกีาการบรรลุมรรคผลเป็นพระอารหันกับการบำเพ็ญรูปประชานละตายไปเกิดในรูปประพรมมันก็กลายเป็นที่ตั้งของวิญญาณเป็นที่อยู่ของสัตว์มันก็กลายเป็นสังขาร สังขารก็อยู่ในสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลปงไปเป็นธรรมดาสังขาร น, นั้นจะเที่ยงไม่มีเลยเมื่อความเมื่อการบังเกิดในอรูปประพรมมันก็เป็นสังขารเป็นพวกเป็นชาติมิช ร, รามณโสกะติตามมาเมื่อนำไปเทียบเข้ากับราตคุณโดยบางังห่างไกลกัน้าเกิดอพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าประสบความ พินาศด้วยความจิบหายอย่างแรงดันั้นอนการบรรเกิดในรูปประพรมในรูปประพรมหรือรูปประพรมหรือแม่แต่สวรรค์เทียบเคียงข้างล่างมันก็ดีกว่าแต่ว่าคําสอนในพุทธศาสตร์นั้นจะสอนในแนวของการขัดเกลาแม้บุคคลไปสยบติดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีจุดมุ่งหมายที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่ามีอรหันตเป็นยอด พรจ้าจะแสดงธรรมมากน้อยก็าตามมีอรหัตเป็นยอดมีเป้าหมายสูงสุดแต่จะดึงไปขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งก็คล้ายๆกับการสอนหนังสือคนต้องการได้มีความรอบรู้ที่ใช้ความรู้เหล่านั้นสร้างสรรค์พัฒนาตัวเองเสริมสร้างสถ า, สาสนะของตัวเองให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้หรือเหมือนกับคนเดินทางที่ตั้งเป้าหมายไว้ไกล มันจะเกิดฉันท่าอุตสาหะความเพียรพยายามเป็นอย่างมากจะต้องพยายามเดินไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ตั้งเป้าไว้ต่ำๆในความกระตือรุ่นความอุตสาหะความพอใจก็หย่อนกรนีคล้ายๆกับนักเรียนที่เรียนหนังสือจะต้องสอบเอาที่หนึ่งให้ได้เอาเกรดเอให้ได้บางคนก็ขอเพียงผ่านก็ได้กัน บางคนก็ขออยาให้ตกก็แล้วกันเรืองนี้เรื่าความอุตสาหะนั้นจะต่างกันพระบุคคลที่ต้องการให้เกรดเอรวดหรือสี่รวดกันจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากแกอาจจะไม่ได้หมดแต่ก็สี่ต้องเพิ่มขึ้นแส่วนที่ขอสอบพอผ่านหรือขออยาให้ตกก็แล้วกันนั้นแกจะรู้สึกอ่านไสักหน่อยหนึ่งแกก็บอกกับพอแล้วตอนนี้ก็สอบได้แล้ว ในความอุตสาหะวิริยะต่างๆก็จะย่อนบนเส้นทางของความเพียรพยายามศึกษาปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าการเวลาสอนก็สอนไว้ในเป้าหมายสูงสุดคือต้องการให้คนถ่ายถอนความกำหนัดความเพลิดเพลินในภพทั้งปวงคือไม่ว่าจะประณีตยังไงก็ตามมันก็เป็นกรม โดยเฉพาะ อ, อย่างนี้คือเป็นสังขารนี้มีความเสื่อมสลายไปนะเป็นธรรมดาเวลาถ่ายถอนก็ต้องการถ่ายถอนทั้งสิ่งที่เป็นชิปและสิ่งที่เป็นมนุษย์คนนี้เพิ่งสังเกตว่าเวลาพระเจ้ารับสั่งแก่พระอระหันต์60รูปที่ทรงส่งไปประกาศพระศาสนานั้นทรงใช้คำว่าดูก่อนวิสูทุทั้งหลาย วันี่เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คือหมายความว่าที่เป็นทิพย์ก็พ้นที่เป็นของมนุษย์ก็พ้นคำว่าบ่วงในที่นี้ก็คือรูปเสียงกิรนสุโภชพระธรรมารมณ์นั่นเอง แล้วก็มีความประณีตในตัวของมันเองไปโดยําดับเราไม่ติดที่หนึ่งแต่อาจจะเปติดที่หนึ่งซึ่งก็คือติดด้วยกันข้อนนี้เป็นสังเกตว่าทุกคนเรานั้นจะต้องมีจุดอ่อนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจะทำยังไง่าเสริมจุดอ่อนนั้เป็นจุดแข็งได้จริงๆแล้วก็รักษาตัวได้ข้อนนี้เราอาจจะมองภาพที่เขากระทำกันในสังคมโลก ก็คือการพยายามแสวงหาจุดอ่อนของบุคคลทั้งหลายเจน ส, สมมุติวต่าต้องการจะให้คนใดคนหนึ่งอยู่ในอำนาจเพื่อให้ผลประโยชน์แก่นตนจจข้าวทางคนนั้นไม่ได้อาจจะข้าวทางผูกบังคับบัญชาทางเพื่อนฝูงทางพัญญาทางลูกหรือทางญาติผู้ใหญ่เปน็นต้นเพื่ อ, อ จ, จะให้ผลประโยชน์หรือนําไปเที่ยวคือสรุปไปเจอจุดอ่อนจะได้ ได้ในสุดเขาเข้าไปทางจุดนั้นเพราะเรื่องของกิเลสมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจจะเสริมไม่หลายๆจุดก็เรียกมันคงแข็งแรงดีในจุดนั้นแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งซึ่งกิเลส ก, ก็ทะลุทะลวงเข้าไปทางนี้ได้นั้นความขนาดความเพลิดเพลินในภพซึ่งขึ้นไปถึงรูปฌานและรูปฌาน เราเห็นว่าเป็นการสยบ ก, กิเลสไว้ไม่ใช่ลา ก, กิเลสมันโอกาสที่ท่านจะพลาดมันก็มีได้ ง, ง่ายจึงทรงสอนให้หน่ายแม้ในภพั้อ ง, งบ่วงภพเหล่านี้มันก็เป็นบ่วงเหมือนกันแม้จะเป็นทิพย์มันก็เป็นบ่วงเมื่อบ่วงมันก็ต้องมัดมัดเราก็ติดเราก็ดิด้นไม่ไปไปไม่ได้และประการที่สําคัญก็คือการมองในแนวของวิปัสสนา เห็นว่าการมองในวิปัสสนานั้นก็คือมองในแง่ของกระบวนการของเหตุปัจจัยในความเป็นที่ตั้งของวิญญาณ น, นั้นทุกอย่างเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยอาจจะเริ่มต้นจากตัววิญญาณที่จะไปตั้งหรือไปอุบัติไปบังเกิดในภพเหล่านั้นหรือในภูมิเหล่านั้นเราจะเห็นว่าวิญญาณเองมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย วิญญาณทางขันห้าเรียกวิญญาณในขันนั้นก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยจะต้องมีตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นนิ้มรสเป็นต้นและเพียงเท่านั้นมันก็เกิดไม่ได้คือวิญญาณก็เกิดไม่ได้จะต้องมีมานัสสิการคือความใส่ใจความสนใจในสิ่งนั้นๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาได้ แต่ตัวปฏิสนธิวิญญาณที่จะไปถือปฏิสนธิในพบหรือไปที่ตั้งของวิญญาณในพบนั้นนั่นแล้วก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยในตัวเขาเองก็ประกอบด้วยกิเลสหรือที่เรียกว่าอาวิชชาแล้วก็ประกอบด้วยกรรมที่เรียกว่าสังขารถ้าสองอย่างนี้มีมันก็สร้างเป็นปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่มี ก็สร้างไปส่วนที่วิ ญ, ญญาณขึ้นมาไม่ได้ถ้าพวกนี้มีมันก็ต้องมีที่ตั้งของวิญญาณจนได้เพราะวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งของวิญญาณนั้นจึงเกิดขึ้นมาจากกิเลสกรรมเป็นตัวกำหนดให้เกิดควาจะมีหรือไม่มีมันก็อยู่ที่ตัวกิเลสกกรรมเป็นตัวสร้างขึ้นซึ่งเราจะเห็นว่า แม้แต่ในโลกเราเองการมีคุกมีตารางมีแดนต่างๆจนถึงกระแดนมหันตโทษเป็นต้นนั้นคือกรรมเป็นตัวสร้างขึ้นเพราะนั้นกรรมเป็นตัวสร้างพบพื้นที่อยู่แต่ว่าไม่มีไม่มีการกระทาของบุคคลในสังคมที่รุนแรงจนผิดปกติธรรมดาในคุกแบบมหันตโทษมันก็มีไม่ได้ แตาไม่มีการกระทําที่รุนแรงผิดปกติธรรมาดาขึ้นคนเหล่านี้จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นก็จะเป็นอันตรายแก่ บ, บุคคลอื่นเพราะนี้ต้องมีแดนเจ้าพ่อเขากา ร, ร บ, บาดบังเกิดในพบของบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นกรรมคือเจตนาที่บุคคลกระทําเป็นตัวจําแนกวิญ ญ, ญาณทิฏฐิคือที่ตั้งวิญ ญ, ญาณของบุคคลเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางจิตวิญ ญ, ญาณของเขา คือถ้าจิตวิญญาของเขามีการพัฒนาไปจุดปรณีตขึ้นไปโดยดําดับไม่ถึงกัะลา ก, กิเลสแลแต่ว่ากิเลสมันสงบลงมันจางลงจนสติสัมมาัญญาสามารถสยบอำนาจของกิเลสไปได้ถึงว่าที่จริงในขณะนั้นแม้กิเลส ท, ท่านจะมีแต่ก็ดูเหมือนไม่มีเพราะถูกสยบเอาไว้ ตึงก็หมายความวาดูพื้นจิตของท่านก็ประณีตมันก็น้ําที่ใสมันก็ใช้ประโยชน์ได้พวนี้ก็สร้างภพที่ประณีตสร้างภาวะที่ประนีตขึ้นมาก็กลายเป็นที่ตั้งหรือจีบมังเกิดของวิญญาณที่ประณีตสูงขึ้นไปเพราะงั้นการเรียงของท่านจึงเรียงไปตามลําดับความประนีตตื้นมอกล่าวโดยสรุปจะพบว่าวิญ ญ, ญาณนิติจะมีความเป็นลักษณะอยู่สามช่วง ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นผลของทานของศีลเรียกว่าระดับศีลธรรมจัญญาโตบแต่งพบชาติได้ประนีตขึ้นระดับหนึ่งต้องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในช่วงต่อไปคือข้อที่สามข้อที่สี่จนห้ากเจ็ดข้อสามข้อที่สี่ 4, นั้นเป็นเรื่องของรูปฌานหรือผลของสมถะกรรมฐานนั่นเอง ก็สร้างภพชาติติประนิตขึ้นไปอีกเป็นเทพบางหมู่เปลี่ยนถึงเป็นอาภัสราพรมจนสามข้อหลังนั้นเป็นผลของอรูปกรรมฐานซึ่งเป็นก็สมถะกรรมฐานดิบแต่ก็เป็นอรูปของกรรมฐานที่มีความประนีตขึ้นเอตัววิญญาณเองก็ประณีตขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าวิชามันก็มีอวิช อวิชาก็มีความเป็นวิชาสูงขึ้นคือหมายความเมืเ่อกี้เรกกระจางลงไปประกายของธรรมะปรากฏเด่นชัดเข้าครอบงำใจมากขึ้นก็เป็นเหตุให้กรรมหรือาการกระทําของท่านของท่านมีความประนีตขึ้นคราวนี้ไปสังเกตว่ากรรมเป็นตัวจําแนกพบที่ทรงแสดงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม กรรมเปตัวจับแนกแบ่งแยกให้คนเลวและปรณีิแตกต่างกันเมื่อกิเลสวันจางลงใจคนก็ละเอียดคนเราคิดก่อนทำคิดก่อนพูดความคิดก็ละเมียดละไมเพราะฉั้นเวลาทำลงไปยิ่งเป็นกุศลมากกว่าเป็นอกุศลแต่บางชั้นบางระดับก็สามารถสยบอกุศลนอกไปได้ที่แสดงออกเป็นเพียงกุศลเมื่อกำรนิยต ก็มีปฏิสุทธิสวนที่วิญญาณที่ประดิ์วิญญาณติระดับสูงจึงเกิดขึ้นโดยนัย่าดังกล่าวนั้นการมองในแง่นี้จะเห็นว่าเพนี้กระบวนการเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งสายเกิดและสายดับผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัติ ก็จะมองเห็นเหตุปัจจัยที่ให้พบมันประณีตที่ตั้งวิญญาณประณีตที่อยู่ของตนประณีตพบภูมิประณีตก็ด้วยความเจือจางบาบางของกิเลสอันเป็นเอเรทธรรมกรรมที่เป็นกุศลเพิ่มมากยิ่งขึ้นปฏิสติวิญญาณตนก็จะมีความประณีตขึ้นก็ทําให้พบภูมิมากมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็จะยขวนขวายเพียรพยายามปฏิบัติในดับนั้นแต่ในขณะเดียวกัน เมื่อมองในแนวของวิปัสสนากรรมฐานบุคคลก็จะเห็นความจริงว่าเรื่นี้เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยยังไงยังไงมันก็เป็นสังสารทุกข์คือทุกข์ในสังสารวัฏไอ้ความทุกข์ในระเบียธนาหยาบๆยาบนั้นคงจะไม่เกิดในภพชาติที่ประนีตขึ้นไปหรือว่าเกิดมันก็คมไปได้แต่ว่ามันก็เป็นสังสารทุกข์ ทุกที่ยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏการหมุนวนในสังสารวัฏมันก็ไม่แน่อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าในสังสารวัฏนั้นเหมือนบุคคลเอาท่อนไม้โยนขึ้นไปบนอากาศบางครั้งมันเอาหัวลงบางครั้งมันเอาปลายลงบางครั้งเอากลางลงไม่แน่ดังนั้นไอพพ้ภพภูมิของคนที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกรรม จึงมีความไม่แน่ท่านอาจจะเกิดไปถึงในวาสัญญานะตัญญนยจะนาบครบแล้วแต่กิเลสของท่านยังไม่หมดกรรมจึงไม่แน่ว่าจะต้องประนีตเสมอไปเวลาพวกอรูปฌานเหล่านั้นมนเสือมก็่านอาจจะตกต่ำลงมาแบบธรรมดาธรรมดานี่ก็ได้มันก็ขึ้นล ง, ลงอย่างไรสังสารวัิอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งบุคคลก็จะหน่ายในภพคือทานศีนั้นปราถนาสวรรค์ แต่พอจเจริญกรรมาฐานขึ้นเราจะเห็นว่าเราจะหน่ายแม้ในพบเองก็ไม่มีอะไรมันก็คือทุกข์นั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับโลกมนุษย์มันคล้ายๆจะสุขมากกว่าแต่ถ้ามองช่วงกองการอยู่ในที่นั้นก็แสดงว่าท่านทุกข์นานกว่าคือทุกข์ในความหมายของเกิดขึ้นมันจะเขต่ปัจจัยม้จะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงช้าแต่ก็คือแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ก็าทำให้หน่ายในภพเพราะฉะนั้นจะโดยพื้นฐานของจิตที่พัฒนาไปจะน้อยอยู่ในระดับที่สงบกิเลสไอความกำนัดความเพลิดเพลินยินดีขวอยควา้าปรารถนาอารมณ์ต่างๆก็จะผ่อนคลายเบาบางลงไปชีวิตก็จะปล่งเบามากยิ่งขึ้นปนัญหาต่างๆก็จะลดลงและจะนำไปจเจริญวิปัสสนาโดยนญยตดังกล่าวคือพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษโดยนญาดังกล่าวแล้ว บุคคลก็จะหน่ายในภพเมื่อหน่ายในภพก็ชื่อว่าเดินเข้าสู่ทางแห่งความหมดจดอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเมื่อนั้นเขายออหน่ายในภพนี้คือทางแห่งความหมดจดหรือทางแห่งพระนิพพานต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป